ตัวตวโตวอาระคะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสสะพคะวัโตอาระคะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหัตตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นการนั่งสมาธิภาวนา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 เมื่อพระองค์อยู่ในคารวาดยาโยมอายุได้ยี่สิบเก้าปีก็อนับว่าเป็นคนใหญ่รู้จักติดถูกชั่วดีตามธรรมชาติ แล้วท่านก็ได้เห็นนักบวชสมัยเสด็จผ่านไปมาว่านักบวชนี่แหละทางที่จะออกจากทุกข์ได้เมื่อท่านมีโอกาสก็จะถือแบบนักบวชนี่เลยทีนี่เมื่อท่านจะออกจริงจิงท่าวางแผนของท่าน เราวนลึกลับกุกตบิดาพระเจ้าสุทโทธทนะไม่รู้ว่าพระองจ ะ, สะเสด็จออกบรรพชานางโคตมีแม่นาแม่เลี้ยงป้อนเข้าให้น้ำนมก็ไม่รู้ คือพระองค์ไม่บอกไม่บอกใครทั้งนั้นถ้าบอกแล้วเรื่องมันจะมีรูปธรรมเพราะไม่มีใครที่จะให้พระองค์ทัานโบทจะให้อยพระพุทธพระเจ้าพระพุทธ พ, พุทธิทธดาอยากจะให้เป็นพระเจ้าจักรกพรรดิแต่ทิราช หน้าตาจะได้ใหญ่โตมโหฬารว่าลูกชายได้เป็นพระเจ้าจากักษษษษษรพรรดิศิลาเป็นใหญ่ใหญ่ตั้งแต่ลกเชียจนถึงอเมริกาแต่พระองค์ไม่ฟังหางเสียงใครทางนั้นวางแผนเสร็จเรียบร้อยว่าจะบอกเวลาไหนา คนท้งหลายจึงจะไม่มีโอกาสแม่นายฉันนะนายมากก็ไม่บอกเมื่อพระ อ, องค์คิดได้ว่ามนุษย์นั้นเที่ยงคืนมันก็นอนหลับจะออกเต็มหัวค่ำก็ไม่ได้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 ยังเหลืออยู่ประมาณสักสามสิบนาทีก็ไปบอก น, น, นายชนะเลยว่าให้ลุกขึ้นแต่งมาเราจะออกบทแล้ว ห, ห้ามพูดห้ามพูดอะไรทั้งนั้น น, น, นายชนะก็ไม่มีอะไรไปแต่งมาเลยเสร็จแล้วก็มาบอกมาเรียนมาทน ล้วองค์ก็ขึ้นมาแลนะ้วเนี่ยขี่ไปเลยเนี่ยก็คงจะในขณะที่บอกนายันนั้นแล้วก็จะไปบอกนายประตูตามธรรมจาประตูพระราชวังมันตน้องมีคนเฝ้าให้เปิดประตูแล้วก็ไม่ให้พูดอะไรเกินไปเราจะออกบวต ก็ขึ้นมาตัววิ่งออกไปได้เลยตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วก็มาวิ่งตลอดนม่ว่าหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงจนค้นเขตกลงกรบบินพัดแจ้งเป็นวันใหม่ กออ็จะตัดเจตนะองก็ตัดเกตนะตัดเกตตัดผมตัดเกษาด้วยสระคันไม่มีมีดโกนมีดโกนหนวดมันสมัยนี้หรอเอามีดแบบตำรวจทหารมันแขวนไว้ในแล้วตัดหรอ ผมแขกก็แบบเดียวกผมจีงเดียวผมผมจีนแนั้นเองม่ะมวนมากบบอากที่เดียวกัเสียงทายว่าข้าพระพเจาจะได้การทะลเป็นประพธธุทธเจ้าจริงๆก็ยาให้เส้นเกรสรนี่ทั้งหมดตกลงแผ่นดิน ให้ขึ้นไปสู่อากาศโยนออกไปโยนไปก็เทวดาคนนี้เทวดาท่พวกเราว่าไม่มีเทวดาไม่มีมันมีอยู่เทวดาคพนเอาคานคอยรออยู่แล้วเอาไปสร้างเจดีย์ไว้ที่ธาตุเจดีย์แก้วจุลมณีแต่คนมาได้สร้างแบบมนุษย์สร้างมันเร็วว่า นิมิครับเป็นพระเยเดียดตามทํานานว่ามันเป็นทรงกลมถ้ามองที่ใจก็เหมือนพระพุทธรูปเป็นรูปพระพุทธรูปของว่าแต่แต่มันเป็นทรงเยเดียดถ้าเก็บแก้วเข้าไปไว้ที่นั้น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 ลกข้าวพญ า, าหมากระสัดอะไ ร, รเป็นนักดป้องหนึ่งแล้วก็เอานายฉันนากมาสั่งให้พาเอามา ก, กลับไปกุงกะปินละพัดก้อมด้วยเครื่องนุ่งห่มของมาจากกุงกะปินละพัดให้โทนไปบอก พุทธบิดาด้วยมามันแสนลูกมันลูกว่เอ๊นายเราจะไม่กลับเลยมองดูสีจ่ากัจักผมเพียนเพศ ต่ไม่กลับแล้วเลยกลั้ใจตายขอตามตัณ น, นานมาพระที่นั่งนะกั้นใจตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ช่านตาวติงสาออกกลับใจนายันนะนายมากพระองค์ก็เจินพระองค์เยเะแลมา เข้าในเขาในมาไลายถ้ำที่ไหนพระองค์ก็ไปภาวนาเขาที่ไหนสูงที่สุยอดทะเลพระองค์ก็ไปส า, าบนน้าแข็งก็ไปภาวนาทะเลสาบน้าแข็งไหลลงมาเป็นทะเลสาบก็ไปภาวนาจนปลูกมะละเขาในประเทศอินเดีย ได้หกพันศากก็พ อ, อดีอายุของพระองค์ได้ส5มสจึงได้เสด็จลงมาภาคกลางอิงเนเดียอนเดียผ่านกรุงราชคกุลจากกรุงราชคกุลมาถึงที่ พุท ธ, ธรรยาจังหวัดพุทธคยาหรือตนไมโ้โหน่งหกสิบกิโลพอมาผ่านกรุงรัชช์ยุคในลานลพระเจ้ากิ่นปิศาจน์เป็นการสัตว์ของกรุงรัชช์ยุคคนกรุงรัชช์ยุคไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นผู้ชาย สวยงามปุริารักษณะไม่เคยปรากฏฐานไปนะั้นแม้แต่คนเดียวพอจะทั้งยิง้มทั้งท า, งายทำการงานยังบ่ได้หรอกมันตื้นเจนแกจึงจะทูลข้าเจ้าพินพิสารว่าจะเป็นคนือเทวาดาก็ไม่รู้ มาบินธบาตมาในเมืองเพื่อให้พระองค์ลูกระเจ้าพินพิสารก็ตัดบอกพวกบริวารว่าให้ไปดูหอาารถ้าเป็นคนเมื่อท่านได้บินธบาทแล้วท่านเกิดคงจะไปขังบินธบาสเสวยอาหารที่ไดที่หน้นงรินน้ำแล้ว ถ้าเป็นเทว ด, ดาก็จะหายไปไ ม, ไม่ปรากฏและวรลุกก็ตามดูพอได้อาหารพอทำแล้วกนไปที่น้ำน้ำที่นั่นเรียกว่าตะเตอคาลามเป็นน้ำร้อนน้ำฝนไกลจากภูเขา องค์ก็ไปถ้นที่นั้นก็ไม่ใครจากนันทไลจากวังของพระเจ้าพิมพิสารพอเขาเห็นอย่างนั้นแล้วก็ไปทูลพระเจ้าพินพิสารว่าถ้าจะเป็นมนุษย์แท้เดี๋ยวนี้ถ้ำกำลังรันดินถบาดกินเข้าอยู่ทือดูนา จะเจ้าสุนติสานเวลานั้นมันก็ไม่มีรถมีลาเหมือนสมัยแขกเยนเย็เยนก็คงใช่มากนั่นนะละรถมากขีมากก็ลอกไปก็ลอกก็ลอกไปไปถึงก็ยกมือไหว้ตามคำเนียแล้วก็ตัดถามว่าไปอย่างไดมาอย่างได พระพุทธเจ้าของเราก็บอกว่ามาจากกรุงรูปิละพัตพราะว่ากรุงรปิละพัทพระเจ้าพินพิสารก็รู้ไว้ก่อนแล้วว่าพอแม่เป็นมัดเป็นเสียวทนายกันไว้ชื่อสีคกัทราชกุ ม, มาร เป็นเชี่ยวเป็นสาหายนะพอได้ข่าวว่าเชี่ยวสาหายมาก็เลยบอกบอกโทนบอกว่าออไม่ทอดไปไหนล่ะอยู่ด้วยกันามาลงกังดีจ ะ, ะแบ่งแผ่นดินหรือแบ่งเมืองให้ครึ่งหนึง่งไปสมัยนั้นคนทำลายทำนา บริเกตภาษีเหมือนรัฐบาลสมัยนึงทำลายทำงานแบ่งแผ่นดินเลยแ บ, แบรับผิดชอตามแผ่นดินพระพุทธเจ้าของเราแมยังไม่ได้ตัดก็ ท, ทามเหตุผลไม่เอาแล้วท่านบอกว่าเออจะให้อยู่นั่งอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใส่เป้นแบบคนเป็นนับบวญ กาลังเสวงหาที่ภาวนาดีๆจะได้ตัดชลูเป็นพระพุทธเจ้าเสียทีมุ่งหมายอย่างนั้นจะได้อ ย, อยู่ขราวาสญาติโยมอย่างนม่งหนาวแล้วละมาแล้วจากกุงกบินละพัดแล้วก็ละมาได้ทั้งหกปีแล้วไม่กองการอะไรอย่างพระองค์อู่แล้ว แก้วกินฟีฟารก็ฉลาดเออขาพระองค์ตั้งใจอย่างนั้นเมื่อพระองค์ไปภาวนานได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้มาโปรดข้าด้วยพระองค์ก็เออได้ทำมันได้ตัดสู้พระองค์ก็ลาที่กว่าหกสิบกิโล เมื่อไปถึงก็พอดีได้แค่ชันนางแหกเข้านางาพอถันแล้วก็เสียงทาดเสียงถาดในะแนะนำใกล้ใจต้ตรงโคแล้วก็ไปถึงตรงโค มันเป็นเหตุบังเองิญนะตามตำนานว่าต้นโพต้นนั้นก็งอกเครื่องเกิดขึ้นพร้อมกันกับพระพุทธเจ้าของเราอายุต้นโพไปได้ 3, สามสิบห้าปีกำลังสวยงามเป็นลมเหลยดีที่สุดและองค์ก็หันจังหันแล้วก็เววยอาหารแล้วก็ไปอยู่น้นตลอดวัน ให้เห็นเข้าเราก็เรียนต้นไม้ต้นนี้เราจะภาวนาให้มันเต็นที่ก็พอดีแข่เรื่องโคคนหนึ่งก็มาเห็นเข้า่าพระฤาษีต้นนี้ตั้งแต่เช้าและไม่มาแล้วก็ไม่ไปไหนเห็นอยู่บริเวณล่มไม้ต้นนี้ จนเย็นๆไปไม่ไายไหนคงจะนอนที่นี่แน่จะมีศรัทธาเกียวเอาญาตขามาได้แปดกำมาถวายและองก์รับเอาญาตาแปดกำมาปูนั่งภาวนาปูนั่งด้านทิศตะวันออกของต้นไม้โพนะไมโพนนี้ได้ชื่อภายหลัง ก่อนเขาเลือกหม่อะไรก็ไม่รู้พอพระพุทธเจ้าตัดโพธิญาณแล้วก็เรียกว่าไม่โพธิหรือไม่สลีพระศา้นาเรียกเว่าไม่สลีคือสลีลูกศรโซคอรอสลีเขาอ่านมรึคตรูไม่สลี ไม่สีมาหาโพธิ์อนไรนะเวลาเข้านั่งที่พระองค์ปู่าสนะด้วยยาคาทั้งแปดกรรมคนนั่งขับสมาธิเทร็นี่นะเปลี่ยนโปรแกรมใหม่แต่ก่อนนั่งแดดไหนนับไม่ทวนมาบันนี้แล้วก็นั่งขับสมาธิเทร็จละมั้ย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 อธิษฐานลงไปว่าการนั่นสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่เหมือนก่อนๆถ้าไม่ได้สัตว์ูลเป็นพระพุธทธเจ้าอย่างที่เป็นมาแล้วก็จะเอาที่นี้เป็นที่ตายไม่ไปตายที่อื่นสลับชีวิตลงไป เขาจะไม่ลุกไปแสวงหาหิงขบาทมาเลี้ยงอัตภาพร่างกายดีกว่ายอมปดตายดีกว่าใจมันไม่กล้าแต่ถ้าหากว่าได้ปรัสรูปเป็นพระพุทธเจ้าก็จะสเสวยอาหาร ช่วยมนุษย์และเทวดายินคมต่อไปพระองค์ก็นั่งภาวนาแลยเมื่อนั่งภาวนาแล้วยิเลตมานสังขารละมาขันธามาหมายความว่ามานทุกอย่างลุ่มมาลมันลบแทนแก้วประทุษเจ้า แต่พระองค์ไม่หวั่นไหวได้ตั้งใจไปแล้วว่าตายนั่งตายกำหนดลมเข้าออกตั้งใจกำหนดจริงๆไม่ใช่ทำเพราะเป็นวิธีการอย่างพวกเราเอาเกีมลมเข้าก็โลมออกก็กำหนดล่ ใจิตใจดวงผู้โลมันโลดอยู่ที่ลมเข้าออกเคยทิดไปห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงหองปราสาทลาทสนุเทียนไม่ให้ไปอยู่ที่ลมเข้าลมออกอยู่ตลอดเวลา <c oughs> พอจิตสงบระงับลงไปบ้างก็เลิกถึงความตายได้ ว่าลมเข้าลมออกนีบอกแห่งความตายถ้าลมหายใจเข้าไปไม่ออกมาไม่ไดเราก็ตายเข้าและออกเป็นที่ตายแนะเนึกถึงความตายใจทุกลมหายใจจิตใจก็ยิ่งมั่นคงลงไปสงบระงับเยือเกเจ็นสบาย ไ, ไม่พอแค่ในหัวใจ จิตใจปลอดโปร่งไปแต่ระดับในคืนวันนั้นและค่นคืนไปประมาณนั้นจิตใจของพระ อ, องค์ก็กล้าหารสามากตัดกิเลสความโกรธได้ตัดกิเลสความโลภได้ตัดกิเลสความหลงได้ กิเลสันหาตัณหาร้อยแสนได้คือจะไม่ทำตามอำนาจกิเลสโดยเฉพาะคือกิเลสลาะตัณหาเป็นตัวการสาคัญที่สร้างลูกสร้างนามให้พระองค์กุมภีสร้างลูกสร้างนามให้บุคคลผู้อื่นก็ตามก็เริ่มกิเลสตัณหา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 พระองคเตือนว่าลมเข้าไปนี่ออกมาไม่ได้ก็ตายลมหออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายท่านตายนี่ภายในรอยจีคนในสมัยนั้นไม่เกินรอยจีเกินก็ไม่พ้นจากความตายต้องตายแน่แน่เจตของพระองค์ก็เรียกว่าสามารถอาจทาน ผัดได้ขัดไม่ห่วงหน้าห่วงหลังวิตกอิกจาาไม่กลัวว่าใครจะมาติดเตียนเยินทาไม่มีเสื่อมเสียอะไรใครจะว่าดีทาก็ไม่ไปสนใจใครจะว่าร้ายห้พโผล่ก็ไม่สนใจ คีรีณความโกรธในใจมันหมดสิน้นจับคีเลณราคะตัณหาในใจของพระองค์เอาจนหมดสินด้นจับคีรีณอริชาความไม่รู้ออกหมดจิตของพระองค์ก็รู้แจ้งเป็นจิตว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีทุกอย่างนี้อย่างนี้ความเจ็บปวดทุกเวทนาเรียว่า มันตา อ, อย่างใดอย่างนั้นในร่างกายของพระองค์ท่านไม่เกี่ยวท่านไม่เลียดไม่ถือก็ได้ตั้งใจแล้วว่าถ้าไมไ่จัดการสโลกเขาที่นี้ตายถ้าได้จัดสโลกจรจัดยังชีวิตต่อไป คือพระองค์เอาชีวิตแรกรออกความตรัสรู้เป็นประพุติเจ้าไม่ใช่ได้ง่ายๆแม้พระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุธกาทขั้็เอาชีวิตแรกถ้าไม่เอาชีวิตแรกเนะจ้าเกลียกมานสังท้าลามารขันธมานมันคอยหลอกลวงอยู่เสมอ กัวเช็ดเย็ดเราเล็กน้อยก็กลัวมันจะเป็นมากขันเช็ดมากกลัวมันจะตายพระองค์แล้ว่าไม่ยึดไม่ถือมันจะตายก็เป็นเรื่องของธาตุสีขันห้ามันตายจิตพระองค์ไม่ต้องย่อท้อกำหนดอนาปาลมหายใจเข้าออกจนกจิตใจสงบตั้งมั่น ตกิเลสลาคตัตกิเลสโทษตัดกิเลสโมหะเาอิจฉาตำหาเอาจนหมดสิน้นเมื่อตัดลกิเลสตำหาได้แล้วก็ละวาดสนาอาินสิ่งที่เคยเป็นมาที่ไม่เรียบร้อยก็เรียกว่าวาดาสนาเลิกละได้หมด นี่พระองค์ก็เลียว่าได้รตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาจนะิตใจของพระองค์ก็บริสุทธิ์ของใจไม่ต้องให้ผู้ใดามารับรองว่าถูกหรือผิดพระองค์รับรองเองพระองค์ ล, ลออะอลิเลทความโรกรธได้เองละอิเลทความโลภได้เอง ละกิเลความหลงได้เองพระองค์รู้เองเข้าใจเองเลยตั้งแต่บัดนั้นมาจิตใจของพระองค์ mm. ก็ไม่มีความเศร้าหมองขุ่มัวเหมือนแต่ก่อนมาเพราะความเศร้าหมองขุ่นมัวนั้นคือกิเลสความโกรธโกหะความโกรธโลภ ความโลภความอยากได้ความอยากได้อ ย, ไดอยากดีอยากเป็นอยากมีอยากมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงอยากได้อะไรต่อไม่อะไรจีบปาทาันักในทุนนั้นพระ อ, องค์ตัดได้หมดไม่เอาตัวไม่เอาหยดเมื่อพระ อ, องค์หยดได้ ใจิตใจของพระองค์ก็โล่งโปร่งเย็นสบายไม่ทุกไม่ร้อนกับคนอื่นสักคนแม้ร่างกายสังขารของพระองค์ก็ไม่เก็บไม่ถือ่อแต่เจ็บปวดทุกขเวทนาก็เป็นธรรมดาเนื่อหนังมันสังของมนุษย์ ที่ยังไม่ตายก็ต้องมีความเจ็บปดวดทุกเขเวทนาแต่พระองค์ไม่เดว่าพระองค์เจ็บพระองค์แก่พระองค์ไข้พระองค์ตายวันท้าวสี่ดินน้ำไฟลมมันเป็นของเขาตังหาชาวมันเถิดจิตใจที่พระองค์ภาวนาตัดละอีเลตัมหามานณทิ่จินั้นสำคัญกว่า ที่นี้จึให้พากันนึกถึงพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าคือน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าเป็นพุทธพุทธโธจริงๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวหนังสือหรือคำพูดความคิดตัดกิเลความโลภไม่ได้เป็นใจจับเป็นแม่ใจดั ไม่เป็แม่ขาวแม่ชีเพราะนั้นวันนี้ปากรมันขานเทธิดความหลงแม่มีอยู่ในจิตให้สายสว่าไม่ว่านุ่งดำนุ่งสีนุ่งขาวเอาใจขาวเป็นหลับใจภาวนาใจขาว ไม่มีความโกรธไม่มีความผิดชา้าพยายาดใครให้อภัยแกมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าให้อภัยทานเป็นการให้อภัยแกมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเขาไม่ดีถ้าเรามีปัญญาพอสอนเขาได้สอนไปสอนเขาไม่ฟังก็ไม่โกรธ เวยให้ได้ขั้งเด็ขั้งเล็กทั้งเนียนเนียนน้อยนียใหญ่ปั๊บิเลดงใ้มันหมดโซเปิดโซฟาปัา๊บสีแดงใมันหมดตั้งใจถึงคุน พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่ทานตัดได้ละไทยวางได้ เรามันค้าอะไรเขียนเข่งดูในจัดจิตใจของตนขอาให้มันลู่จับลู่แจง้งลู่จริงโลิกได้ละได้มันจะวุ่นวายขนาดไหนก็ให้มันวุ่นวายไปจิตใจดวงผู้โลดอยู่ในตัวเราจะต้องตั้งให้มัน่นเอาให้จริง เรีวยกว่าตั้งใจลงไปทำมันถึงที่นั่งภาวนาให้มันได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ทามันเลยความเจ็บความปวทุกเวทนาต่างๆเป็นจิตใจเลิกลักทีเล็ลักทีเล็ในจิตในใจใจที่สุ ขาดกิเลสลาคังโทสะโมหะในจิตไม่ได้ตายเสียดีกว่าอยู่ข้งมันหนักแกนดินไปทำไมกินข้าวสุกปาตายกินหน่อไม้อยู่ทำไมลาสิเลสในใจไม่ขาดสบั้นทันแหลกจะไปถอยความเียงพุทโธกับพุทธเจา้าเป็นที่ตึง ทำโมพระธทำเต็มที่เพิ่งสังโฆพ ร, ระอริยสงสารวกเต็มที่เพิ่งครึ่งแล้วก็ทําตามอย่างพระอริยสงสารวกพระอริยสงสารวกในข้างพุท ธ, ธาไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าคระดูกฐานแสสนบวตเด็กเล็กคันอายุขนาาเจ็ดขวบ ก็นวนาตัดกิเลสละกิเลจไดเป็นพระโตดาพรสัจจคาอานาคอารหันต์สีที่พระสงฆ์ทนนุ่งห่มมันือวือสีเหลืองคำว่าสีเหลืองไม่ได้หมายถึงว่ามันเหลืองเป็นสีใบไม่เกลสีเหลืองใบไม้แก่ ธรรมดาใบาไม้แก่มันมีแต่จะล่วงหล่นลงมาสู่แผ่นดินสีนับบวดนี้ค่าเป็นคงชัยพระอาหารหันต์ไม่สดชื่นอยู่ในใบแา่มันแก่มันหล่นลงมามันตายฉะนั้นจงภาวนาเอาจริงตั้งใจประกอบประธรรมให้เกิดมีขึ้น น้ำใจอันใดมันกลัวเจ็บกลัวไข้กลัวเป็นกลัวตายไหมนไดพระพุทธเจ้าสอนว่าฆ่ากิเลสให้มันตายพายกิเลสให้มันตออกละกิเ ล, ลาาสาคะโทสะโมหะให้หมดไปสิงนไปเอาให้ได้ทําให้ได้ จึงเชื่อว่าสาวกโกเป็นสาวกของเราแต่าคตุธาละกิเลสปัญหามานะใน จ, จิตใจไม่ออกไม่หมดไม่สิ้นไม่ใช่ลูกศิตของเราเป็นลูกศิษพระเทวทัตเป็นลูกศิษย์ของพยามาผู้กังวลวุญนายผู้เบียดเบียนผู้ฆ่าผู้ทาลายมารนั่นคือผู้ฆ่า ใครไปยินดีพอใจกับกิเลสมาฟังข่าวละมันมานตัวนี้ควอมันคอยฆ่าคอยทำลายคอยจีดกันจะภาวนาทำความเีื่เมื่อใจมันคอยกันขีดกันไว้จะนั่งภาวนาตอนเช้ากอ็อยังเช้าอยู่ยังไม่ภาวนามันจะนั่งไว้แล้วภาวนาตอน้ายก็ว่ามันร้อน กลางวันก็เือนเอือไหลไข่ร้อย้อยนั่งไม่ได้กลางคืนเก็ไข่รัรบไข่นอนพวกมา น, านั่งอย่าไเชื่อไปหลงทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเตือนจิตใจนี้ใครได้ว่าพุทโธพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพุทโธนี่พุทโธธรรมโมสังโฆ ลวมจิล่วมใจลงไปชีวิตของเราทุกคนมีความตายเป็นคนที่สุดไม่ตายเวลาเด็กมันจะต้องตายเวลาหนุม่มไม่ตายเวลาหนุม่มจะต้องตายเวลากลางคนคนใาเป็นคนแก่คนสดายไม่มีทางที่จะหลบอีก เหมือนกับไม้ต้นไหนที่มันใกล้ฟน้ำไหลน้ำซออทุกปีทุกปีไม้ต้นนั้นย่อมค้นลงมาตายคนมีอายุแก่ชราสี่สิบห้าสิบไปหน้าตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกตายแล้วได้อะไรไป ไม่มีใครถ า, ามสมบัติในโลกนี้ไปได้แม้แต่คนเดียวอย่าว่าแต่สมบัติทรัพย์สินเงินทองความสดะดวกภายนอกเลยร่างกายสังขารขาสองแขนสองทีสักหนึ่งได้มาจากพ่อมแม่ก็เอาไปไม่ได้อายเวลาใดก็ทิ้งทีนั้น ถ้าไม่มีผู้อื่นเผาทีสีกระดูกก็จะมีมแมลงวันมาไข่เอาหนอนใส่แล้วนอนกับกินเลือกเนื้อร่างกายจนหมดสิ้น ย, ยึดเย็มาเย็บมาถือว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราเขาว่าเป็นของเราที่ไหนถามดูก็รู้ ผมเป็นของเราไม่มันก็เฉยไม่ว่าขนเป็นของเราไม่มันก็เฉยอาการสามที่สองเป็นของเรามันเฉยทังนั้นเขาไม่ว่าใครเป็นคนว่าพทษว่าก็เพือว่ามานกิเลสมันว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้า คาเป็นนั่นคาเป็นนี้นั่นลนะคือว่ามานกิเลสมานกิเลสราคามานกิเลสโทสะมารกิเลสมหะมารกิเลสอวิชชาตัณหามันปิดบงังไม่ให้ผู้ปฏิบัติภาวนาละกิเลสเต้นได้มาลุกหลงโมเมา จิตค้อมหัวพันอยู่ในโลกในายว่าจะสงสารตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายมันโขกไว้ตัณหาทั้งหลาย ม, มันมัดไว้ตัณหารัโลูกเหมือนเชือกผูกคอตัณหารักหัวรักเนืเหมือนปอผูกศอก สัรหาลักวัตถุเข้าคองเหมือนปอกซุปดีนเหมือนมัดตีนมัดมือไปไหนไม่ได้นั้นต้องดูพิจารณาให้ดีถึงข้าวจะต้องภาวนาตัดละมันเด็ดขาดลงไปแล้วก็เอาอามันจริงต้องระลึกถึงพระองค์ผู้เป็นสัพพันโยพุทธา รองละได้หมดทุกอย่างทุกประการทาไมเราจะมาคาอยู่ข้ออยู่จิตอยู่หลงไหลอยู่แค่ปลายเล่นยินดีพอใจอยู่แค่ลดอาหารการกินยินดีพอใจอยู่ในโลกยินดีพอใจอยู่ในเสียง ิ่งได้พอใจอยู่ในลิ่นในลดในโสดภาธรรมาลมมาหมัดหมมอยู่ในกิเลสกรรมวัถุการมตั้งแต่อนเนกชาตินับพบนับชาติในตัวแล้วปูนับปูนังมาเกิดมาตายไม่จบไม่สิ้นยังจะมาเกิดต่อไปวุ่นวายต่อไปอีกไม่เอานั่ง ภาวนาภาวนาลาคิเลดเดินแมดไหนก็ภาวนาลาคีเลดเอาให้หมดเดินใจมาที่ไหนก็ภาวนาลาคิเล้มันหมดมันสิอย่าไปมัยสงสัยนั้นสงสัยนี่อยู่นัมม่นตัวมาคิเลตฆ่ามันตายหมดทำลายให้หมดสิ เอาให้จิตใจเข้าถึงอาสวัตขยายนจนถึงญาณอันรู้ได้ว่าอาสวัตสิเลในใจได้หมดไปแล้วสิ้นไปแล้วเหนั่นก็พุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายแ น, นั้นอย่าไปกลัวตายมันไม่คนตายหรอกไปทราไว้แล้วว่าไม่นตายเมื่อเด็กมันตายมั่น้อง ไม่ตายเ ม, มื่อนมมันไปตายกลางคนไม่ตายกลางคนมันก็ไปตายแก่กะลามันจะตายแบบไหนก็เท่ากันถาระจีเลราคาโทสะไม่หมดตายแล้วมันก็เกิดม า, ดนะาดอีกถาระจีเลศปัญหามานัชทิฐิหมดจิน้นตายแล้วมันก็เข้าถึงซึ่งในผา ไม่ต้องนามเรียนไหา้ใต้เกิดจีในครบต่างๆต่อไปเองพุทธภาสนาบอกไงท่างพุทธานท่านภาวนาละกิเลสท่านไม่ใช่บวดมาเพื่อเพิ่มกิเลสขึ้นเพื่อกิเลสให้มันมากแต่พุทธเจ้าท่านไม่เพิ่มท่านให้ลดให้ละออกไปไปเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไป ขนที่สดเาวห้มันหมดสิ้นมันความคิดว่าละไม่ได้วางไม่ได้ถอนไม่ได้ไม่ต้องว่าา น, นั้นมันความคิดของคนโบราณดึกดำบันคนขี้เกียจที่ข้านภาวนานะครับพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายทั้นไม่ทอถอย ทานภาวนาละกิเลสจนหมดสิ้นแล้วก็มาต้องไปถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าฆ่าพระองค์ละกิเลสได้หรือไม่ใจของตัวเองมันมีกิเลสอะไรอยู่มันก็แสดงอยู่นัะใจความโกรธยังมีอยู่มันแสดงอยู่เป็นใจเสือใจเสือใจที่โกรธ ใครทำอะไรข้างยืดเื อ, อนี้ก็ท่าจะโกรธอย่างเดียวใจโกรธใจโลภใจหลงใจกิเลสตัณหาเลิกละตั้งแต่นี้ต่อไปใหมันหมดสิ้นทุกคนแล้วจะเห็นผลเห็นอานทรงแห่งการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนา ถ้ามันละกิเลสตัดกิเลสได้แล้วนั่งแบบไหนมันก็เป็นภาวนานอนอยู่ก็เป็นภาวนายืนอยู่ก็เป็นภาวนาพูดอยู่ก็เป็นภาวนาทำอยู่ก็เป็นภาวนาคิดอยู่ก็เป็นภาวนาภาวนาที่แท้จริงเนี่ยมุ่งหวังเพื่อ ักที่ได้ปัญหามานทัทิฐิทั้งหมดทั้งมวลให้หมดสิ้นไปในหัวใจแค่นั้นให้ภานตังอกตังใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้เต็มที่อย่ามากลัวเจ็บกลัวไข่กลัวเป็นกลัวตายอยู่เลยถ้าถึงเวลาเจ็บ โย่แบบไหนมันก็เจ็บถ้ามันได้เวลาตายโย่แบบไหนมันก็ตายตายแบบไหนมันก็เท่าๆก่ากันตายละอิเลตันหาได้แล้วมันก็ตายได้เนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ถ้าเจ็ตเรายังจะมาห่วงอาลัยในขาดสีกันค่ะ ในกิเลสกรรมวัตถุการมอยู่เประเพศย่างไงนะไม่รู้พุธโธอยู่ในใจไม่รู้ธรรมโม อ, อยู่ในใจไม่รู้สังโฆ อ, อยู่ในใจจึงได้มัวเมาอยู่ในกิเลสกรรมวัตถุการม ดังสแสดงมาก็สมควร้วยกาลเวลาเอวังก็มี้วยประการลักษณนนัมเ <c oughs> อติโยวิวัชันโตชัพภะโลโกมินาามัสตะตมาเตภวัตรวรนตรายโยสุขีเทคายุโกภวนาทิวาธนาสิทธิเนจังวุธาปจายิโน จัตตารธรรมาวาชันติอายุวโันโอโขังภาลังอย่างเมื่อวานนาี้พอตทอการปิิศเรียมแห่งประเทศไทยมาทอดภ้าปาวัดถรำผาปองเรานี่แหละ มันก็แสดงอยู่ในในหลักอันเดียวคือว่าความตั้งจิตเจตนาก็เพื่อมาทำบุญกุศลแต่ว่าบุญกุศลเมื่อมีคนมากมันก็มีเป็นอกุศลขึ้นมาก็มีอย่างว่าจัดกระบวนรถมันมากต่อมาก แล้วก็มีรถและคันนั่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครมาชนกับรถใหญ่ทีนี้ชนกับรถใหญ่นอกจากรถนั่นมันเสียไปหักมุ่นวายไปยังือเอาคนตายไปอีกตามข่าวข่าวว่ามีคนเจ็บและคนตายตายไปแล้วสองคนแล้วก็ยัง อยู่โรงพยาบาลโยก็มีในเรื่องความตายนั้นมันมีโยทุกมุมโลกมีโยทุกตัวสัตว์ตัวคนพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านจึงตัดไว้ว่าจงนึกถึงความตายที่จะมาถึงตนทุกลมหายใจเข้าออกเราสูดลมหายใจเข้าไปถ้าลมหายใจเกิดติดขัด หายใจออกมาไม่ได้นั่นเราก็ตายได้จองนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเขาออกไม่ใช่นึกเล่นๆคือนึกมองให้ทะลุไปว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ความตายมันมีอยู่ตลอดการ แต่เมื่อเราไม่กำหนดพิจารณาก็มาหลงเพลิดเพลินดีใจเชี่ยใจยกับอารมณ์เรื่องราวตาหูจมูกเล่นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสปอภพะธรรมาลมอันเป็นของเก่าแก่เป็นเหตุให้ใจเรามาหลงอยู่ในที่อันไม่จบไม่สิ้นนิ่เอง จองพากันนึกภาวนาว่าตายตายทุกลมหายใจเข้าตายทุกลมหายใจออกไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงตนเมื่อใดเวลาใดไม่มีใครรู้เมื่อเป็นเช่นนี้ที่พระอาตสาาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์ทรงตรัสว่า จงพากันนึกถึงความตายที่จะมาถึงตนนั้นให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเป็นจึงเป็นการเหมาะสมแล้วที่เราทุกคนจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ว่าจะเป็นเดือนใดปีใดก็ตามวันใดก็ทางวันใดก็ให้ถือว่าเป็นวันตายได้ พระองค์จึงตรัสว่าให้นึกิกทุกข์ลมหายใจเข้าใจออกขึ้นความตายจึงจัดว่าเป็นคนไม่ประมาทมัวเมาถ้าผู้นั้นลมหายใจเข้าไปก็ไม่เด่นเลกถึงลมหายใจออกมาก็ไม่เด่นเลกถึงว่าตัวเองจะต้องตายชื่อว่าเป็นคนประมาทมัวเมาผู้เป็นไปเพื่อความประมาทย่อมไม่เจริญ โหนกโยเจริญโยซึ่งมลณะกรรมาฐานทุกลมหายใจเข้าออกจะมความเบิกบานยิ่นแย่นแจ่นใสภายในจิตใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนีนจงภากันนึกถึงมลณะกรรมาฐานให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเถิด ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉนี้สัพจิเตโยวิวัตฉันตุสัพ ป, ปะโลกโวินาชโตมาเตภวัตตวันตรยโยสุเขติคาโยโกภวะอธิวาธานาเสลิสนิจังวุฒาปัจจายินโน กาตาโรธรรมาวัทันติอายุวันโอโสคังปาลังเ่าตอนนี้ไปนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิ รงระลึกถึงพระบรมมาตาตดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจา้าตั้งตจทนลิเริ่มบำเพ็ญพุทธบาลีมามีความตั้งใจมันไม่มีความหวั่นไหวทุกพพทุกชาต ท่านดำเพนทานบารมีฝึกขข้นจิตใจของพระองค์ท่านให้ิดีพอใจในฐานบารมีนับตั้งตนแต่ให้เข้านำโภชนอาหารแก่คนแก่สัตว์ ให้เครื่องนุ่งห่มพาผ่อนสมสบายให้ที่โยอาศัยเสนาสนะบ้านเรือนให้ยกยาแก่โลกภัยใครเจ็บที่มันเกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์ เรียกว่าทานการให้อภัยแก่บุคคลผู้อื่นเมื่อผู้อื่นร่วงเกินก็ไม่ถือโกรธเรียกว่าอภัยทานพระองค์บำเพ็ญมาตลอดการ ไม่ว่าจะเกิดมาเป็นคนทุกไลอนณาถาก็ตามเป็นเจ้าพญามาหากศขั์ปกครองบ้านเมืองก็ตามทานการกุศลเหล่านี้พระองค์ประกอบกรทำอยู่เสมอเสมอไม่ทอดพลัง รวมแล้วแล้ววันนั่งสมาธิอวนาจนมาถึงวันเวลาจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วสละชีวิตเป็นทานไม่เสียดายตายอยากในชีวิตที่เกิดมา อย่างพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จแล้วตั้งสัตยาทิฐานว่าแม่เลือดเนื้อเอครือไขจะเหือดแห้งไปหรือจะหนังหุม ก, กระดูกก็าตามทีถ้าไม่ได้กระสรลโลเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็อธิษฐานตายในที่นั้น <c oughs> อใ น, นเรว่อสะละชีวิตเมื่อเราทุกข์คนได้และเลึกถึงพุทธคนคนพระพุทธเจ้าที่พระองค์บำเพ็ญมาแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนา ชั่วระยะหนึ่งที่เราตั้งใจนั่งก็พยายามทําใจของตัวเองให้มนความสงบตั้งมั่นสิ่งคิดภาพอะไรที่เป็นมาแล้วก็ตั้งใจใหม่และรึกถึงคุณสะทานคุณสีล คนภาวนาทำใจให้สงบระงับเจือกเย็นสบายไม่ให้เกความขัดข้องหมองใจให้สมก็ว่าตั้งใจปฏิบัติอยู่เสมอทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกพระพุทธเจ้าตรกากาเป็นผู้ไม่ประมาะ ในภาวนาลมหายใจเข้าออกมีโยที่ไหนก็ภาวนาอยู่ที่นั้นขณะเดียวทุกครั้งที่ระลึกถึงลมหายใจก็เป็นการระลึกถึงชีวิตของเราว่ามีความตายได้ทุกลมหายใจ หายใจเข้าไปถ้าเกิดติดขัดหายใจออกมาไม่ได้ก็ตายอันนั้นคนเราสมัยนี้ไม่สังเกตสังกาไม่พิจนนารณาก็เลยมาหลงสำคัญผิดคิดว่าเราเป็นคนอายุยืนยาวขา่าวกัน ความจริงชีวิตของคนเราไม่ใช่วันคืนเดือนปีวันคืนเดือนปีนั้นเป็นส่วนหนึ่งชีวิตของคนเราจริงๆก็อยู่ที่ลมหมายใจเข้าออกยังมีอยู่เมื่อลมหายใจเข้าออกยังมีอยู่เราก็ต้องภาวนานะ ทำใจให้ขาวสะอาดเหมือนผ้าขาวผืนใหม่ไม่ให้มันเปื้อนเปื้อเลอะเทอะอะไรทั้งหมดทั้งมวลใจมั่นคงต่อพุทธคนธรรมคนสังคคนพุทโธธรรมโมสังโค อ, อยู่ในใจใจมั่นคงอยู่ในคนประรันตนกาย ใจมั่นคงอยู่ในสมถะกรรมฐานใจมั่นคงอยู่ในวิปัสสนากรรมฐานใจสามารถอาฐานในการที่จะสร้างคุณงามความดีของตัวเองให้เจริญก้าวหน้าไปไม่พอยหลังคนเอ่นผู้เอ่นไม่สำคัญเพราะว่าคนนั้น ผู้อื่นนั้นเขาเกิดมาเองเขาแก่ไปเองเขาเจ็บไข้เขาตายไปเองเมื่อหมดชีวิตเขาตัวเราสำคัญกว่าผู้อื่นชีวิตของคนเรานั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัปปังชีวิตกรรชีวิตของคนเรานั้นน้อยนักหนาไม่ใช่มากมาย เนยโยแค่ลมหายใจเข้าและออก